ก็เฉยเมยไปไไยใช่ไหมเฉยเมยตเอื่องนั่นไหวิธีแก้ปัญหาของหนูที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่รับรู้พยายามไม่คิดถึงมันถ้าเรื่องอะไรที่มันเนนนกี่ยวพ้องกับเราแล้วมันเป็นปัญหาของเราเราก็ทุก แ้่เรื่องของคนอื่นเราก็มีทุกเนเรื่องของใครของมัน <Okay. S 1> พอเป็นเรื่องของเราแล้วก็คิดวนวนวนว น, นถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องปัญญาเลยมันก็เป็นสัจชายานมันสุนัขตัวหนึ่งเวลามันร้อนเนมันก็วิ่งหาลบ เป็นปัญญาครับเวลามันหิวมาหากินกลัวกันเมื่อกัดกันเกิดจะสันมากระเสพตามเป็นชาติยานเี้ยมันหนูกัเหมือนกันเวลาหนูหิวทําไงกินเลยรจ่มาแล้วก็คิดไหมว่าอาหารที่ใส่เข้าไปมันเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะ จะ ใ, ใช้ปัญญาเขาไปวิจัยอย่างนั้นไหมอาหารที่ชอบแต่ไม่มีประโยชน์ไม่ชอบมีประโยชน์หนูกินเลยอันนี้ไหมอันนั้นก็เรียกสัญชาตญาณทุกเรื่องก็เป็นแบบนี้หมดงานนี้มันชอบยิงทําถ้ามันไม่ชอบเลยไม่อยากทำเพราะไอ้คนคนนี้มันพูดกับเราไม่ดี ถ้าใครพูดกับเราเพอ้พอพูดกับเราดีๆทำตายเลยเลือกบ้าอยอน่าสัญชาตญาณเป็นอย่งนีน้ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าอยากจะใช้หนูง่ายมากใช้ตายก็ได้ก็คุยกับหนูดีๆพูดกับหนูเพอเพอ้อยกย่องเจหน้าก็ยกย่อง บอสเลยบอสฉลาดมาบอเลยฉลาดบอไหนอ่ะ Bot แบอบสแก้วเหรอแก้วเนี่ยใช้เธอแบบนั้นนะครับหัวคุัเลยตายแลไม่รู้แลไม่รู้รู้ไม่ทันเล ร, รู้ทันแต่ว่าแต่ว่าไงเนี่ยเราก็หนุยก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำงานด้วยแหละ จริงๆที่พูดให้ฟังตัวนี้ก็คือว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่มันไม่ได้เอาปัญญามานํมามันนาความคิดโดยมากก็เอาตัณหา ค, คือความอยากบ้างเอาทิฏฐิคือความเห็นบ้างแล้วก็อมามันนะคือยกตนชูตนเปรียบเทียบตนบ้างเป็นตัวนําความคิดมันไม่ได้ตั้งสติตั้งหลักว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆก็แล้วแต่เราจะใช้ปัญญาเป็นตัวนําความคิด นำการกระทำนำคำพูดแล้วจะคิดเรื่องอะไรก็ให้ปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงวิจัยแยกแยะหนึ่งดีมีประโยชน์เหมาะแก่การแล้วจะเดินจิตด้วยด้วยสภาพคุณภาพจิตที่ดีไม่ให้ความเครียดความคลุ่มทั้งหลายมันเข้ามาแทรกซ้อนเหมือนอาหารอย่างที่บอกหนึ่งอร่อยไม่มีปัญหา ถ้าคุณยังชอบประติดอร่อยอยู่ถามเจาะลงไปบอกว่าและมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และมีประโยชน์เหมาะแก่เราแค่ไหนอย่างไรแล้วก็โอเคถ้ายังชอบยังติดใจชอบสี ส, สวยๆไม่เป็นไรชอบบรรยากาศดีๆไม่เป็นไรชอบสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอากาศที่ดีๆไม่มีปัญหาแต่อาหารต้องมีคุณภาพต่อกระแสชีวิตเมื่อได้อาหารที่มีคุณภาพต่อกระแสชีวิตแล้ว เราได้ร่างกายแข็งแรงอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุยืนยาวแล้วก็ได้ระดับหนึ่งในได้ของการรู้จักรู้จักดําเนินชีวิตระดับหนึ่งแต่ถามว่าได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราเอาจะร่างกายที่แข็งแรงไปไปกระทําอะไรก็ไปฝึกให้มันเกิดปัญญามากขึ้นเพราะชีวิตถ้าตราบใดเรายัางขึ้นตรงต่อความอยากหรือขึ้นตรงต่อชอบอยู่ บางครั้งสิ่งที่ชอบมันมีโทษมันไม่ได้ให้คุณเลยแต่เราก็เลือกที่จะเอาสิ่งที่ชอบเราไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ไม่คำนึงถึงไนตัวคุณค่าที่แท้จริงหรือประโยชน์ที่แท้จริงของมันอันนี้แปลว่าเราก็ดำเนินชีวิตผิดมันไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคำพูดดีไม่มีปัญหาถ้าคำพูดที่ดีบอกนั้นนะ่ะแล้วสิ่งที่ทาเป็นประโยชน์ คำพูดที่ไม่ดีก็ไม่มีปัญหาถ้าคำพูดที่ไม่ดีนั้นเราสามารถที่จะเอาประโยชน์จากมันได้ถ้ามันคนพูดเพราะก็ไม่เป็นไรเพราะด้วยดีด้วยโอเคไม่เพ้อแต่ดีมีประโยชน์ก็ไม่เห็นต้องไปกังวลกับเรื่องไม่เพราะคนจะมาโ ว, วยวายจะมาเครียดมาตกกังวลแล้วก็อ่านออกถ้าปัญญามันเกิดอ๋อเขามีสภาพจิตใจแบบนี้เพราะอะไร อ๋อมาจากทัศนะความเห็นแบบนี้ให้ทัศนะความเห็นแบบนี้มาจากอะไรมาจากการรับข้อมูลอย่างนี้มาจากวิตกกังวลแบบนี้มาจากสภาพความเครียดอย่างนี้ผักดันก็ฟังได้ไม่เห็นเป็นไรจะให้ฟังทั้งวันก็ได้ถ้ามันมีความจําเป็นนี่ต้องฟังหรือถ้าเขาจะโต้อตอบก็ได้ถ้าคิดว่าโต้อตอบแล้วเป็นประโยชน์ถ้าโต้อตอบก็บอกเหยียดแล้วผล เห็ไหมถ้าเราพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็อ่านขาดหมดว่ามันมันแค่ไหนอย่างไรในตัวปัญญามันก็ไม่มไม่มีไม่มีความเจเย็นต้องไปฉาบหรือไปดึงปัญหาของเขาทุกของเขามาใส่ทุกในเรามันก็ทุกอยู่นอกตัวอยู่แล้วมันทุกคนอื่นทุกค น, นคนอื่นเครียดคนอื่นก้มเรื่องคุณคันโง่เองเนี่ยใช่ไหมแล้วเราทำไมต้องโง่ซ้ำซ้อน ใชไหมแล้วก็ไปโง่ซ so ้ําซ้อนไปดึงความทุกข์ของเขามาใส่ในใจเราเขาเครียดเราต้องเครียดเลยเขาทุกข์เราต้องทุกข์เลยมันคนละเรื่องแล้วก็มาอ่านให้ขาที่มันเครียดมาเพราะอะไรมันทุกข์มาเพราะอะไรมันใช้สีหน้าบึ้งตึงมาเพราะอะไรใช้เสียงดังๆมาเพราะอะไรเขามีวัตถุประสงค์ใช่ไหมเออเขามีวัตถุประสงค์แล้วเราทํำไมต้องทําตามวัตถุประสงค์เขาเช่นเขาด่าเราเขาต้องการให้เราโกรธเขาด่าเราเขาต้องการให้เราทุกข์ เราทำไมต้องไปทาตามเขาไม่เห็นมีความจำเป็นต้องไปทุกข์เลยนี่ประเด็นตรงนี้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปเปิดรับความทุกข์ข้างนอกหรือไปดึงเข้ามามันก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราหรอก ม, มันมีวิธีเยอะแยะหมดแต่ตรงนี้เชื่อเห็นว่าแสดงให้เห็นว่ า, า, ว, าวิธีการตั้งรับของเราเนี่ยไม่แข็งแรงสภาพจิตของเราอ่อนแอไง มันเหมือนร่างกายอ่อนแอรับเชื่ออะไรได้ตลอดสภาพจิตอ่อนแอก็รับเชื่อของความทุกข์ของปัญหามาตลอดและวไอ้จิตที่มันอ่อนแอเพราะอะไรข้อมูลมันน้อยหนูก็เพิ่มข้อมูลอย่การยานามิีมีคนรู้มีแล้วก็สอบถามเอา อ, อยจาวางท่าทีทางใจยังไงคิดยังไงวิจัยแยกแยะยังไงปัญหาทั้งหลายเหล่านี้มัน มันเป็นธรรมชาติก็มันอยู่แล้วมันก็เป็นก็มันอยู่อย่างงั้นแหละเขเรียนรู้เช่นคนคนนี้ยธรรมชาติเขาเป็นแบบเนี้ยธรรมชาติเขาเป็นคนขี้โกรธแล้วก็ทุกเครียดตัวเองไม่พอแล้วก็แสดงออกมาทางสีหน้าแววตาแล้วก็เปล่งวาจาชั่วร้ายออกมามีพฤติกรรมเก้าวแล้วอ๋อแล้วก็เห็นธรรมชาติแล้วถ้าไม่ได้อย่างไม่ได้เรื่องที่พอใจก็จะแสดงบทบาทแบบนี้ออกมาตลอด ก็เห็นแบบนี้ซ้ำจาเจซ้าๆมันก็มันก็เรียนรู้สิแต่ถ้าอยู่สัญชาติยานก็ตัวกับกับปะทะเขาโกรธมาแล้วก็โกรธตอบเขาเครียดมาก็เครียดตอบแล้วก็ถ้าเขาโกรธมากกว่าแล้วก็งอสังเกตดให้โกรธมากกว่าคนนั้นก็ชนะเหมือนสุนัขอะ่ะใครแข็งแรงเห่าเสียงดัง แยกเคี้ยวน่ากลัวกว่าอีกงั้นก็งอสัญชาตญาณเนี่ยแล้วก็จําสัญชาตญาณนั้นไปทำกับคนอื่นเวลาหนูไปมีลูกน้องไปมีคนอื่นหนูก็ไปข่มเขางั้นนลยสัญชาตญาณหนูก็อันเดียวกันนั่นแหละมันข่มได้ก็ข่มก่อนเห็นไหมว่าจริงๆมนุษย์ที่อยู่ในสัญชาตญาณแบบเนี้ยถ้าปัญญาเราถึงมันจะไม่เหนื่องกลัวเลยเขาจะโกรธมาก แสดงปฏิกิริยามายังไงแล้วก็ถามเขาดีๆเอานี้ท่านเอางี้อาจารย์วัตถุประสงค์เพื่ออะไรจกคุยเรื่องอะไรว่าก็ใช่ก็พูดธรรมดาเนี่ยก็พูดด้สภาพจิตที่ดีๆบอกไม่มีปัญหาสมุดเราเขาบปุมาห้านาทีหนาทีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติตกลงท่านอาจารย์มีวัตถุประสงค์อะไร ต้องการตรงนี้ใช่ไหมก็แค่นี้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็คุยดีๆก็ได้ไม่เห็นมีอะไรไเหมต้องทำ เ, เห็นไหมว่าถ้าท่านอาจารย์คุยดีๆไม่ต้องเหนื่อยด้วยอย่างนี้ท่ า, า, าใช่ไหมาาคือจริงๆไม่ใช่อะไรนะไม่ได้สอนอาจารย์นะแต่ไม่อยากให้อาจารย์หนึ่งสงสารสง ส, งสารอาจารย์เครียดจิตของจิตของอาจารย์เครียดขึ้นมาหัวใจก็เต้นแรงระบบ ภายในร่างกายก็แย่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราก็รู้นะก็บอกอาจารย์ก็สอนวิทยาศาสตร์หนูก็เรียนวิทยาศาสตร์ก็ย่อมรู้ว่าถ้าโทาสะเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นมาไม่ไม่เป็นผลดีเลยกาไร่ลําดับให้ฟังดิหนึ่งจิตเป็นยังไงหน้านิยวคิ้วขมวดเป็นยังไงคางสั่นเป็นยังไงกล่าวว่าจะชั่วลากมาเป็นหนูไม่ได้โกรธอาจารย์หนูต้องการทํางานให้เร็วและได้เป็นประโยชน์แต่ถ้าอาจารย์จะทําแบบนี้ก็ไม่ว่า หนูเขาจะหนูจะไม่โกรธไม่ทุกข์แต่หนูฟังต้องการฟังเขาคือต้องการว่ามันคืนเรื่องอะไ ร, รนี่นี่ อ, อ, อาจารย์ต้องการปล่อยออกมาอะไรนั่ น, น, นก็แค่นั้นเองแล้วก็มาทำแล้วก็บอกว่าโอเคมีปัญหาอะไรถ้าอาจารย์จะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไร<ม>จะใช้วิธีการอ่อนโยนก็ได้ก็ไม่เป็นไรหนูเข้าใจธรรมชาติของอาจารย์สวิงสวิงตลอดแต่หนูไม่สวิงตามนะเพราะหนูเข้าใจเหตุและผลก็ชัดไม่แบบเนี้ย ถ้คุยแบบธรรมดาไม่ไม่เห็นมีอะไรแล้วก็สะทบสะท้านโอ้โหปี๊ดปีดปีดมามีอยู่เรื่องนึงนะสมัยฉันเป็นคารวะนี่ตอนนั้นฉันอายุแค่สิบสามขวบสิบสองขวบสิบสามขวบมีผู้ใหญ่ทะเลาะกันโอ้โหเอาเป็นเอาตาจะชกจะต่อยกันมีคนดึงดึงดึงดึงกันไปดึงกันมาฉันก็เลยขึ้นไปบนบ้านเอามีดมาสองเล่ม ฉันก็เอาไปใส่มือคนนี้ก็ใส่มือคนนี้แล้วจะบอกทุกคนเอาปล่อยให้ันวิ่งเสียบกันให้ปล่อยเลยฉันบอกป่อปล่อยๆ ล, ยลย่ไม่เห็นมีเงินเสียบให้เสียบกันพร้อมๆกันเลยนะให้วิ่งเสียบกันอย่างเงี้ยยาวขนาดนี้มีโอ้ไม่มีใครเอาเลยไอเจ้าของคนเนี่ยเลิกทะเลาะกันเพ่าอะไรละอ่ะละดูหน้าก็รู้แล้วใจไม่ถึงยิ่งไปห้ามก็ยิ่งวอยวาย ถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นทะเลาะกันเไมเ่เรารู้เรารู้ว่าปริมาณของโทสะมันขี้กลัวมันขี้กลัวมันอยากจะประทุสลายเขาอย่างเดียวแต่มันไม่อยากให้เขาปทุสลายด้วยเองอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยกรณีนี้เหมือนกันชนะความโกรธคนโกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบใช่ไหมชนะคนจะหนีด้วยการให้ ถาว่าชนะคนโกรธเนี่ยด้วยการไม่โกรธ ต, ตอบเขาเห็นเขาโกรธมาเขาเครียดมาเขาวิตกกังวลมาเขาก็แย่อยู่แล้วก็อย่างที่ฉันเคยบอกบ่อยๆว่าคนเขาเอาอุจระละเลงหน้าตัวเองอยู่แต่ เ, เราก็ละเลงตามเนี้ยอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยทําไมชนะคนจะหนีด้วยการให้ ไม่ใช่ว่าเาโหเรามีอะไรให้ให้ให้ใหใหเขาหมดนะให้อภัยเขาให้ความรู้สึกที่ไม่เกลียดเขาให้ความรู้สึกว่าเขาน่าเห็นใจเขาเป็นทุกข์เขาถูกความตนีลึงลัตอยู่เขาออกจากความตนีไม่ได้ความตนีต้องต้องรัดเขาอยู่ตลอดเขาไม่เป็นอิสระเลยอ่ะเรารู้สึกกรุณาเขา สงสารเขาทำยังไงเนาะจะปลดเปลืองให้เขาได้ให้เขาออกจากไอตัวตัวถูกความเสน่มันรัดเขาอยู่อย่างแน่นมัดเขาอยู่แน่นแล้วเขาไม่สามารถจะแก้ออกได้ถ้ามีโอกาสก็แก้เขาแก้ไม่ได้ก็ใช้ใจสร้างเวลาเราเครียดแล้วมาโวยวาปใส่คนอื่นแบว่าโวยวเล่าเรื่องนั้นโวยวา แล้ประเด็นประเด็นคืออย่างนี้มันมั น, มนไม่<ะ>ได้ในกรณีรับฟังในปัญหามันไม่เป็นงั้นหน้าหนูถึงเป็นแบบนี้ไงฟังจะถือว่าถือปล่อยใจไม่ได้เทียตามคือประเด็นก็คือมันรับเชื่อมาไงหนูไม่มีภูมิคุ้มกันไงจริงๆแล้ไม่ควรไปรับฟังเขาด้วยซ้ำไปเขาเลยไม่มีภูมิคุ้มกันคนที่เขาจะรับฟังพวกนี้ได้เขามีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้ว อะไรเป็นพวงคุ้มกันในตัวสติก็เป็นพมงคุ้มกันตัวปัญญาก็เป็นพวงคุ้มกันตัวความแกล้าอาถรรพ์ก็เป็นความเป็นภูมิคุ้มกันความอดทนก็เป็นพวงคุ้มกันมันมีเรื่องเยอะแยะใช่ไหมไอตัวสังวรปิดไม่ให้บาปไหลเข้าสู่จิตเนี่ยไม่ไม่ให้ความเครียดของเข้าไหลเข้าสู่จิตเราถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจมันจะอ๋อเราเข้าใจครับ เข้าใจสภาพจิตของเขาสภาพความทุกข์ของเขาความเดือดร้อนของเขาาะฉ้ตรงนี้ก็ถ้าเราถ้าเรามองดูว่าเนี่ยของชิ้นนี้เรายกไหวเพราะเราฝึกตัวเองจนแข็งแรงก็นี่เป็น่ะแต่ไม่ใช่สภาพจิตเราก็แย่พ่อแม่แล้วก็สงสารเขา แล้วไหวยน้ําก็ไม่เป็นวิธีการช่วยคนตกน้ําก็ไม่เป็นกระโดดลงไปช่วยเขาึี่ผ่านมานเป็นแบบนั้นดูก็ฝึกให้แข็งแรงถ้าอยากจะช่วยคนมีอีกเยอะพอแข็งแรงแล้วเนี่ยเห็นใครตกน้ําก็อยากจะโดดไปช่วยเขา<ม>ก็ไม่เป็นไ ร, รใช่ไหมล่ะแต่ประเด็นก็คือแข็งแรงนี่ไะ ถ้ายังไม่แข็งแรงจะทำอะไรก็ป้องกันคําว่าป้องกันเนะี่ยไม่ใช่ไม่ฟังนะป้องกันตัวเองว่าไม่เผลอไม่เผลอใจในการไปฉาบติดระมัดระวังเพราะเราคิดหนทางไม่ออกเหมือนกันเห็นเขาเครียดมาก็ากุ้มมาเขาดันมาเนี่ยเราก็ยังหาหทางไม่ออกในทันทีไม่รู้จะทํำยังไงแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันตัวเองไม่เด็ดหรอกรับฟังได้อะไรได้แต่ก็ระวังตลอดรู้ว่าอ๋อนี่เขามาระบายนะ จะไปคนทั่วๆไปก็ระบายเต็มไปหมดสังเกตดูดิบางทีเหมือนหนูอ่ะไปคุยกับเพื่อนก็นหนูเข้าไประบายเนยแค่นั้นแล้วหนูคิดว่าโอเคแล้วแท้จริงมันไม่ได้การแก้ปัญหาอะไรเลยเนี้ยไม่ได้แก้ปัญหาหนูก็ยังต้องไปจมอยู่กับปัญหานั่นอยู่แล้วกรใขรก็บน่นบนบนไปก็ไล้ ต, ติดนิสัยเนี้ยคนทุกวันสังเกตดูดิก็คือระบายระบายไปก่อนแต่เข้าไปจม กับปัญหาก็ไ ม, ไม่ไม่มีทางออกพอจะแก้เกาจริงไม่อยากแก้แล้วจริงเพราะมันกลัวบ้างอะไรบ้างสารพัดเหมดไม่กล้านะเข้าก็กลายเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าจะใช้ปัญญาไปวิจัยปัญหามาข้าแล้วข้ากลัวเคย็นไหถ้าเป็นไปแนละ้วตรงนี้ถึงบอกว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เริ่มวิเคราะห์ปัญหา มองทั้งหมดของปัญหาของเหตุของปัญหาแล้วก็เริ่มจับประเด็นได้แล้วมันมาจากอะไรพอเราฟังทั้งหมดเหมือนเนี่ยดูรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นทําการที่สุดนะครับนะครับก็จะเริ่มแล้วจับประเด็นได้แล้วมันมาจากอะไรพราะมันจับประเด็นได้แต่นี้มันถึงวางจุดหมายวางเป้าหมาย ว่าเราจะดับปัญหาแก้ปัญหายัางไงหนูก็แค่มาทําแค่วิธีการวิธีการนี้หนูก็ต้องคิดว่าวิธีการจะทำอย่างไรก็คือใช้ปัญญาวิจัยว่าจะวิธีการจะยังไงจะทํำยังไงจะแก้ปัญหานั้นยังไงหนึ่งสองสามสี่หลักการก็มีทั้งหมดเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องฝึกหมดเลยนะนเป็นเรื่องฝึกศักยภาพหมดเลยมันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน มนุษย์ที่จะออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาแล้วก็ดาเนินชีวิตไปสู่การจับปัญหาได้อย่างแท้จริงมันก็เรื่องเดียวกันมันก็เรื่องเดียวถ้าเข้าใจมันเสร็จแล้วเนี่ยมันมองอะไรมันออกหมดใช่ไหมพอเห็นมันเป็นเรื่องของอริยสัจล้วนๆนจริงๆแต่จะเข้าใจมันไหมกัน โอเคยัง okay, yeah.